แต่ว่ามันจะใช้ข้างในนี่ก็มีปัญหานี่เพราะว่าในตัวเราเนะี่ยมันมีความร้อนสูงขะอัสนะที่นั่งมันระบายความร้อนไม่ได้เพราะเป็นพลาสติกนั่งเป็นนา น, านจะรู้สึกอึดอัดความร้อนไม่มีที่ระบายถ้าจะให้ดีก็ ม, มันมีเดี๋ยวนี้มันมีเสือ่ออกันเสื้อจันทบุรีสี่เหลี่ยมนะเสื้อหน้าหนึ่งเป็นผ้าหน้าหนึ่งเป็นเสื้ออันนั้ก็จะดระบายความร้อนได้ดีดังเวลานั่งไปนา น, า น, านมันอึดอัดมันรู้สึกร้อนก็สามารถขยับเปลี่ยนระบายความร้อนได้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 เอา ใ, ใจม า, มาช่วยหลวงตาสัก5้าวันเพราะที่นั่นเป็นราเราตกลงกันว่าปีนี้เป็นร้อยปีหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนถ้าเกิดปี2454หมาถึงปีนี้25หแล้วก็จัดงานถวายท่านครบรอบร0อยปีหลวงพ่อเทียนที่นี่ตลอดปีแต่แต่เดือนพฤศจิกายนี้ไปถึงพฤศจิกายนหน้าจะจัดทุกทุกเดือน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 อาสงข่สงไ ข, ส, งขสังขยาสังขยาด้วยนั้นไปว่านับออจสังขยาออจสงขขยตัว น, นับไม่ได้ถามว่าตั้งแต่หย่อนโค้นลงนั่งนัตรงนี้เนี่ยจะมาถึงวินาทีนี้เนี่ยหายใจกี่ครั้งแล้วนับได้ไมั้ยไม่ได้ไไดอ้สงไข่แสนกลับเพราะว่าสี่ไอ้สงขขยทุกที่มันเกิดขึ้นในขณะนั่งก็นับไม่ได้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 นะไม่เอาตรงนี้เขาเรียกประทับปรารมาอยู่นี้เขาว่าอะไรไม่ใช่ดอกบัวใต้ตุ่มนะบัวดอกบัวใต้คอนจีนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ฝุดได้เกิดเลยนะซึ่งทีนี้ท่านก็แยกเอาไว้เราาเป็นรูปธรรมเส้นในเหล่าที่หนึ่งเหมือนกับดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วเพียงแต่แสงพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาสมควรแล้วดอกนั้นก็จะบานเหล่าที่สองดอกบัวนั้นอยู่ที่ปิ่มน้าก็จะบานในวัน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 ไม่เามองได้คิดแต่เรื่องดีได้แต่คิดเรื่องดีคิดตะลอดเลยทเนี้ยแผ่เมตตาอย่างง้นอย่างงี้เหมือนกับอาหารเนี่ยคุณใส่อาหารดีมากกินอร่อยแต่อาหารจานเนี้ยทิ้งไว้สามวันไปไงเป็นพอาหารดีหรือไม่ดีแล้วเพราะอาหารมันเป็นรูปหรือเป็นนามมันเป็นรูปรูปจ้องมีโกดของมันก็คือต้องเ ป, เ, ปเปลี่ยนแปลงบูดเน่าเสียคือทุกข์ใช่ไหมแล้วก็ใช้ไม่ได้คือหน้าตา